พูดว่าสวัสดีค่ะผ่านวันแล้วนะคะอันนี้ผ่านเดือนเลยเพราะว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนที่ 9 ของปี 2556 คือเดือนกันยายนค่ะเดือนกันยายนค่ะเราหยุด FM ครอบครัวคลื่น 106 เนี่ย ไกรกราบนมัสการค่ะเจิมพานค่ะท่านไภบูรณ์อภิปุณโณจวัดปาดอนหายโสอุดรธานีช่วงเวลานี้มี 7 ถึง 15 กันยายนอ๋อค่ะก็ดูเหมือนกับค่ะสําหรับ เป็นครั้งพิเศษอะไรอย่างใดหรือไม่คะเอ่อก็ในแต่ละครั้งเนี่ยความพิเศษของเปเป 3 เรื่องที่สําคัญสําคัญเรเร<ใช>เร 3 คือ เอ่อซึ่งความๆช่วงปีหนึ่งเนี่ยนะคุณโยมติวมันค่ะอืมถ้าใคร เป็นการเดินจมกรมเนี่ยจะมีโอกาสได้เดินบนดินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนเดินดินก็ ไม่อยากบ่นให้เสียเวลาเพราะรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านทั้งหลายที่ฟังเป็นประจําก็จะได้ๆหรือ ขอให้ท่านพระบุญทบทวนนิดนึงก่อนดีมั้ยคะก่อนที่จะไปต่อว่าวันศุกร์เราทิ้งค้างกันไว้เรื่องเครื่องกั้นกั้นหรือว่า เอ่อพอรับประทานญหยาบแล้วก็มาตั้งสติใหม่นะ 2 ส่วนนะส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นเค้าเรียก ที่นักภาวนาคนเอ่อจะเจอภาวนานี่หมายถึงทำสมาธิอ่ะนะเอ่อ 1 ผ่านนะเอามันออกไปต่อ 3 ความเคลมง่วงนอน นะมีรวม 11 อย่างนะความไม่ใส่ใจจากความเครียดแคลงระแวงสงสัยความไม่ใสใจๆความพออย่าง แล้วก็สมาธิเริ่มเข้าที่ละนําพาเริ่มสมาธิเข้าที่นั้นมี ก็เลยงั้นพยายามทําให้มันละเอียด แต่ว่าเครื่องแบบอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แต่ไม่ทราบไอ้เครื่องแบบเนี้ยคือคือเทวดาแต่ละชั้นเนี่ย คุณถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ทราบเอางี้ทําให้มันลึกเข้าไปอีกได้ด้วยว่าเทวดาพวกเอเทวดานี่เอ่อจะไปไหนต่อเพื่อที่จะ ตายจากความเป็นเทวดานี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ทราบนะว่าพวกเทวดาเนี่ยจะมีอายุยืนเท่าไหร่แล้วก็ทําสมาธิลึกลงไปอีกนะ <ฮ ะ. S 1> นะถึงจะมารู้ว่ามีความละเอียดลงไปอีกถึงจะมารู้ว่าโอ้พวกเทวดานี่นะเอ่อเห็นแล้วคุยได้ด้วยรู้ว่าเค้าอยู่ นะไอ้ความสิ่งที่เป็นอกุศลใดๆบางมีนั่งอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยถ้าบอกว่าสมาธิอาจ มันมีอะไรพังผืดอยู่แถวๆขามันมัน เพื่อที่จะหาความกลัวเพื่อที่จะหาความกลัวนะความกลัวที่อย่างเป็นความขลาดอย่างเป็นอกุศลนะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเรากลัวสักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะคือเราทำผิดแล้วคุณจะต้องมีความร้อนใจนี่ธรรมดานะ คือมันไม่เหมือนกับความกลัวเวลาที่เราไปทําชั่วมามันไม่เหมือนกับความกลัวเวลาแล้วคุณกลัวอันนี้ถูกค่ะนะหรือก่อนคุณจะทําชั่วคุณกลัวไม่กลัวโดยไม่ นะคือความฝันครั้งสําคัญก่อนการตรัสรู้นะคิดว่าค่ะนะข้อที่ ตะวันออกมือขวาก็พาดลงสู่มหาสมุทรด้านตะวันตกหน้าเท้าก็อยู่ที่มหาสมุทรดันติไตยนั้นนี่คือข้อที่ 1 เอ่อความ 1 ข้อ 2 ในขณะขึ้นจาก 2 แล้ว 2 นี้ 8 แล้วจะประกาศให้ไปจนถึงเทวดาและมนุษย์น่ะขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมนี่คือข้อที่ 2 เอ่อข้อ 3 นั้นก็คือฝันว่ามีๆๆขึ้น 3 เพื่อ นะผู้นุ่งขาวห่มขาว 3 <ใช>แล้ว 4 ก็ได้ฝันว่ามีนกสีต่างๆนะ<ใช> จะออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 4, 4 ข้ออ่ะมี 5 ข้อขอ 5 ข้อก็คือ ไอ้ภูเขาอุจจาระปัจจัย 4 เสนาสนๆมีมากมากนะแต่ว่าไม่ติดไม่จมนะ ก่อนจะเป็นพระพุทธองค์เมื่อบําเพ็ญ 1 ก่อนฝัน<ใช> 5 อย่างเรียกว่าเป็นมหาสุบินดังที่ท่านๆอย่างข้อสุดใช่มั้ยคะ คำสอนของพระใช่ๆวัน 4 เลยอืมใช่แล้วก็ค่ะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาต่อมหาสุบินอีกสักครั้งใน คำภังคลานานนึงคือพระเภบุรณอภิปุณโณได Google ได้นะ ปฏิบัติอะไรบ้างทรงมีประสบการณ์อย่างไรบ้างบ้างทรงมีประสบการณ์อย่างไรสร้างเจดีย์เอ่อสร้างฉัตรเนี่ยนะคะหุ้มยอดเจดีย์พุทธคยา หน้าที่จะได้ 6 เค้าก็จะนําเอาไปประดิษฐ